ส่นฝที่เคารพคะ่ะรายการสันสนิสนทนาเราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่สองกับพระภิกษุพระภิกษุรูปที่สองในรายการนี้นะคะนั่นคือพระไัยบูรณ์อธิปุญโญคะ่ะในช่วงที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกราบนมัส ก, การคะ่ะท่านคะ่ะเชี่บานค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ใกล้วันวิสาขาบูชาเข้าไปทุกทีท่คะนั่นเองอ่านเสพิน เห็นภาพข่าวต่างประเทศนะคะ<ม>อืะ่อเป็นประเทศคนเอเชียผิวขาวไม่ไม่ทราบว่าเป็นจีนหรือเป็นญี่ปุ่นรู้แต่ว่าเขาเนี่ยกําลังทาท่าเหมือนกับส่งน้ํา<อ>แล้วก็อ่าสิ่งที่เขาส่งเข้าไปเนี่ยก็คือพระพุทธรูปในปางแบบนิกายของเขาอ่ะนะคะอ่ะ<ม>แล้วก็อธิบายว่าความเชื่อของเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูตรในช่วงเวลา นี้ซึ่งเป็นเวลาที่ก่อนวันวิสาขาบูชาอ๋อพอจะมีอะไรที่เป็นความรู้ให้กับท่านในเรื่องนี้ได้ไหมคะเอ่อในเรื่องของวันที่ประสูตรนี้โดยพุทธวัจนะแล้วนะเออก็ไม่ได้บอกนะว่าประสูตรวันไหนนะแต่นี้คงจะเป็นแบบว่าหลักฐานที่เขามีทางประวัติศาสตร์กันที่เขาทําให้ลงตัวกันมาอย่างนี้คือหลักฐานเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเชื่อนะแต่มาว่า ท่านคะแล้วก็เท่าท่านพูดอย่างนี้เลยมีประเด็นที่ดิฉันต้องถามต่อว่าจากการที่ท่านศึกษาผู้ทวจรณะเนีน่ท่านพบไหคะว่าตรัสเอาไว้ว่าประสูตรัสรู้ปริมิพานตรงกับวันเพ็งเออโดยวันที่เนี่ยไม่ได้บอกไว้ค่ะโดยวันที่พระองค์ยังไม่ได้บอกไว้แค่บอกว่าสามเดือนจากนี้หรือว่าวันที่ตะาคตประสูดนี่เป็นอย่างนี้ออค่ะงั้นอ่าก็ จะได้ไม่ต้องสงสัยต่อไปเพราะดิฉันเองคิดว่ามันสำคัญที่ว่าการเกิดของพระพุทธองค์นั้นมันสำคัญเหนือกว่าที่เราจะมาสนใจว่าท่านเกิดวันไหน น, uh huh. นะคะแล้วก็การตรัสรู้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงได้ให้ความสำคัญที่จะได้ยกย่องในวันสำคัญสำคัญต่างๆของพศ า, าสดาของเรา uh huh. ในรายการนี้เราก็อยู่ในพวกเวลาที่อยากจะเฉลิมฉลอง ไปกับคนทั้งโลกที่เข้าเฉลิมฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้คือพุทธชยันตีค่ะพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้อย่างหนึ่งนะพูดถึงตอนที่มีก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยได้เกิดเป็นโอ้หหลายพบหลายชาติมากนนะ<อ>มีชาติหนึ่งที่เกิดเป็นเป็นมานพ ค, คนหนึ่งเป็นพรามนะแล้วก็ที่ตอนนั้นเนี่ย พระเจ้าเดินผ่านมาทางเมืองเอมืองเมืองที่ประนิพานคือเมืองกุสินาราค่ะแล้วก็เดินผ่านมาแถวๆนั้นก็ยิ้มขึ้นมาพอยิ้มขึ้นมาเสร็จแล้วเท่านพระอนุลก็สงสัยเอ๊ะยิ้มทําไมค่ะแล้วนะก็เลยส่งถามาก็เลยถามพระรูญเจ้าพระรูญเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังถึงในกรณีตรงนี้ว่าโอ้เมื่อสมัยก่อนที่เราเป็นามานพนะเกิด อยู่แถวๆนี้แหละเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราได้เคยตัดไว้อย่างนี้ก็เลยเล่าเรื่องในในอดีตให้ฟังแนะ่เรื่องในอดีตนั้นมีอยู่ว่าเป็นอ่าเป็นพราหมณ์เป็นมานพเนี่ยนะ <c oughs> ชื่อโชติโชติาลมานพนะโชติ巴拉มานพเนี่ยก็สมัยก่อนเป็นเป็นมานพที่ไม่ก็จะสนใจเรื่องคําสอนของพระเจ้าอะไรเท่าไหร่นะปรากฏว่าโพริษัทที่เป็นโชติ巴拉มานพเนี่ยก็มีเพื่อนนะที่ชื่ อ, อ คติกะระนะคติกะระนี่ก็เป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่าวั น, นะต่ํากว่าแต่ก็ชวนโพอดิษฐ์ ท, ที่ชื่อว่าโชติปาระเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าสมัยนั้นอย่างมากพระพุทธเจ้าสมัยนั้นชื่อพร ะ, ะพุทธเจ้ากัสสปะนพระพุทธเจ้ากัสสปะคือชวนพอดิษฐ์สํานักโคดมเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าชื่อกัสส ป, ปะชวนยังไงก็ไม่ไปนชวนสามราบสราบชวนวาระนี้ชวนวาระนั้นก็ไม่ไปไม่ไปนตอบอย่างเดียวว่ามีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะล้น มีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นจนรณอ์นะพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยนั้นะหลายรอบม า, จากจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะไปอาบน้ําด้วยกันนะตามริมฝั่งแม่น้ำํำ <c oughs> นะอาบน้ําชวนกันจนกระทั่งไม่ไปอีกนะจนกระทั่งถึงกับดึงผมไปที <c oughs> นะนี้พระิษัทที่เป็นชื่อว่าโชติการะโชติปารามานพเนี่ยก็เลยงงโอ้โหอะไรต้องทําขนาดนี้กันเลยเหรอถึงขนาดว่าต้องดึงผมเลยเหรอเนี่ย <c oughs> มันาจะขนาดนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องกันเอาไปก็ไปก็เลยไป นะพอไปพบพระพุทธเจ้าชื่อกัสปปะสปาสมัยนั้นก็โอ้โหฟังธรรมแล้วก็ร่าเริงเป็นอย่างยิ่งนะถึงความอาตหารร่าเริงก็เลยขอบวชเลยอขอบวชเลยแล้วก็บวชไม่สึกในชาตินั้นส่วนเพื่อนของบริษัทนะชื่อคติการะเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนจนใช่ไหม ก, ก็ต้องเลี้ยงแม่ตาบอดอะไรก็เลยไม่สามารถบวชได้น ะ, ะคือคนชวนไปเนี่ยไม่ได้บวชแต่คนที่แบบไม่ยอมไปไม่ยอมไปจุดสุดท้ายได้ไปขอบวชจนตลอดชีวิต และบุคคลนั้นก็คือโพริสัตว <c oughs> คือพระพุทธเจ้าในสมัยนี้อ๋อค่ะอืมพอคิดถึงเหตุการณ์นั้นก็เลยขำนะยิ้มออกมานะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พระอนุทินฟังอ๋อค่ะถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือสมัยก่อนนี่แบบเราหนาหนาหนามากแลวคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนสุดท้ายก็ต้องปรงใจเชื่ออย่างเงี้ยนะก็ <c oughs> เลยเล่าเหตุการณ์นี้ฟังจนเป็นที่มาที่พระพุทธเจ้าเนี่ก็ยิ้มค่ <c oughs> นะอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้ยิ้มบ่อยๆนะ แล้วถ้ายิ้มหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยสาวกก็จะสังเกตละว่าเออเกิดอะไรขึ้นอะลองถามดูซิมีมีขอ้มข อ, ม, ขอมูลอะไรเบื้องลึกอย่างนี้อืืออันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของพระพุทธองค์ที่น่าทราบเหมือนกันนะคะอืว่าอ๋อพระพุทธองค์เราไม่ค่อยยิ้มก็จะเป็นหน้าเรียบๆอยู่เรื่อยๆค่ะอันนี้อันนี้แปลกคือดิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับ การยิ้มเนี่ยมันก็ดีกว่าหน้าบึ้นแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกว่ายิ้ม เ, เป็นสิ่งที่ดีแต่ฉันนี่ยังเคยคิดขนาดนี้เลยนะคะว่าถ้าเราจะให้ทานนะคะทําทานใค่คําว่าทํำทานสักอย่างหนึ่งด้วยการทักทายคนที่เราไม่รู้จักโดยเฉพาะคนที่กําลังลําบากเช่นเดินผ่านคนที่กําลังทํางานหนักตากแดดร้อนเหนื่อไห i, ลใครย้อยอย่างเงี้ยส่งยิ้มให้เขาสักทีนึงอย่างน้อย ก็จะได้ได้กุศลบางอย่างอเท่ากับว่าที่ผ่านมาดิฉันคิดผิดเหรอคะเออคือเป็นงนี้ต้องต้องบอกว่าที่ตรงกันข้ามกันหรอถ้ายิ้มเนี่ยตรงกันข้ามกับขึงเคียดถลึงตาใส่ะนะการขึงเคียดถึงตาใส่นี่เราไม่ควรทำอันนี้แน่นอนนะแต่นี้ว่าถ้าเราจะทำหน้าธรรมดาหรือยิ้มเนี่ยก็อยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ามาว่าเพราะว่าอย่างน้อยการทำหน้าธรรมดามก็ไม่ได้แสดงอารมณ์ก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องโกรธหรือเราสบายใจอ่นะค่ะ แ ต, แต่บางทีดิฉันคิดอย่างนี้ค่ะว่ามันเหมือนกับเวลาเราเห็นคนทําหน้าเฉยๆเราก็อาจจะงงๆหรือว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยว่เอ๊ะคนนี้คิดอะไรกับเราใช่ไหมคะมโดยเฉพาะคนที่เราตั้งใจจะยิ้มให้เนี่ยเอ๊ะกลับตอบด้วยท่าทีแบบนี้แต่ในอีกลักษณะหนึ่งก็คือดิฉันเข้าใจว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจอยู่ในฐานะที่เขาก็ไม่กล้าพเหยื่ยิ้มทักทายกับใครง่ายๆเพราะดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนต่ำต้อยกว่า พรสังคมเป็นองนั้นจริงๆนะคะวัดคนที่อะไรบางอย่างภายนอกอีนี้มันเหมือนกับในเมื่อมไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรที่มากกว่านี้พอดีพอดีนี่ก็น่าจะยิ้มให้เล็กน้อยอืถ้าเขาไม่ได้ทําหน้าตาขมือถึงใส่เรานะคะแล้วอาจจะอ า, จจะอาทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาโดยเฉพาะเวลาที่เขายิ้มตอบเรานิดๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการให้ในสิ่งที่เป็นความ ชื่นใจเขานิดหน่อยว่าเออในสังคมนี้ยังมีคนที่รู้สึกเป็นมิตรกับเราอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วโยมติ๋วพูดถึงในกรณีนี้เนี่ยก็ในเหตุการณ์นี้อยู่ๆผู้รู้าก็ยิ้มขึ้นมาเองโดยไม่ได้มีใครอยู่ด้วยค่ะแล้วจึงเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเ่ะแตส่วนในกรณีปกติสมมติคุยกับพระามองนี้คุยกับสามบกนี้ยิ้มหรือเปล่านี่อันนี้ไม่ได้มีระบบไว้อ๋อค่ะอันนี้คือยิ้มลอยลขึ้นมาก็เลยพูดเรื่องนี้ให้ฟังตรงนี้ค่ะอืมนันก็เป็นความรู้ที่ให้้้้กกกัับเรรราาไดูจพพะุทธองงค์มยิ่ขึน ในโอกาสพุทธชยยนตีเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาด้วยถ้านมีบุญค่าทีน่นี้ต่อมาเมื่อท่านขึ้นต้นอย่างนี้ดิฉันขอถามเรื่องจักยิ้มนะครับเป็นเรื่องหัวรเราะอะไรกันคนทั้งโลกอ่ะค่ะออื <c oughs> จะมีมุมของการที่ชอบฟังเรื่องอะไรที่ทําให้เราหัวเราะได้ชอบอ่านเรื่องอะไรที่ทําให้เราหัวเราะได้หนังสือ ค, คําขันหนังสือองคมยิ้มนังสืออะไรพวกนี้ขายดีมากนะคะขายหัวเราะอ๋อฮะคนไทยฝรั่งมีหมด ดิฉนันก็สงสัยเหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยนี้เราเล่นเขาเรียกอะไรละ่ะไลน์ใช่ไหมคะทางสื่อสารการคุยกันได้ในทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไลน์ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ p อ o n e อะไรอย่างเงี้ย น, นะคะออหรือแม้แต่จะส่งด้วยวิธีอื่นก็นแล้วแต่แต่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็จะส่งเรื่องขำขันให้กันขำขันนี่มันก็มีหลายประเภทนะคะบางทีมันก็เป็น คำขันติดสองแงสองงานนิดน้อยโดยเขาเรียกอะไรนะคะโจกแบบแบบหลายๆประเภทอะ่ะอาาคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะท่านค ะ, คะแล้วก็มุ่งหวังทางก้าวหน้าที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลิ่งสิ้นเชิงเสพเรื่องพวกนี้ได้ไหมค ะ, ะในเมื่ต้องอยู่ในสังค ม, มพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนว่า อ, อถ้ามีคนมาโจทย์เธอว่าเออเนี่ยหาความสุขกันนะเราต้องเกลี่ย clarify คือให้ชัดเจนว่าที่เขามาโจทย์เราว่าหาความสุขความสุขเนี่ยความสุขแบบไหนนะ<ะ>ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการมิจฉาวาจานะคือการพูดเพ้อเจ้อการพูดโกหกและมีความสุขอันนี้เราไม่ได้ทำํำนะให้บอกเขาแบบนี้แต่เพราะฉะนั้นะถ้าเราต้องการประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมะในนี้ให้เจริญเนี่ยให้ไปขอหาความสุขอีก4แบบหนึ่งนะสแบบหนึ่งนี่ก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่1นขั้นที่2อขั้นที่3ามขั้นที่4นะี่ส่วนความสุขที่เกิดจาก4แบบแรกนะคือ การค่าสัต์แล้วมีความสุขการรักทรัพย์แล้วมีความสุขการพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพวกนี้มีสัมมาวจามีความสุขหรือว่าการที่เสพกามแล้วมีความสุขพวกนี้สี่อย่างนี้ไม่เอาภาษาว่าในกรณีที่เราส่งข้อความอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเข้าข่ายสัมมาวาจามัมม้ยถ้าไม่เข้าข่ายนี่ก็เราก็ชื่อว่าเสพความสุขผิดประเภทนะค่ะนั่นในทั้งพูดเรื่องขายสัมมาวาจาแระสมมุติว่าเราเสพในสิ่งที่เราทําทําให้เรามีอารมณ์ขัน อนะคะจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะไม่ผิดสมาวาระคะอารมณ์ขันนี่เป็นยังไงก่อนคุณยมติ๋วคือความสุขที่เกิดจากการได้ยินเสียงถูกไหมได้ยินเสียงหรืออ่านค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าความสุขที่เกิดจากการได้ยินเสียงหรือตาเห็นรูปเนี่ยคุณยมติ๋วตอบได้อยู่แล้วเป็นความสุขจากอะไรจามค่ะถูกต้องควรเสพหรือไม่ควรเสพโอ้เลยคุณดิฉเนี่ยพยายามที่เอ๊ะเพราะบางครั้งเราอยู่ในสังคมนี้ใช่ไหมคะ ในเมื่ออในหมู่คณะเนี่ยเขาก็สื่อสารกันเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ อ, อารมณ์ดีกันเนี่ยเอะเราทําได้หรือเปล่าอโอมโหนี่ถึงขนาดทําไม่ได้เลยเหรอคะดั้งค่ะคือไม่ควรเสพไงควรทําให้น้อยอควรกลัวนะแต่เสพแล้วผิดศีลไหมก็ไม่ได้ผิดศีลนะคือถ้าเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่ผิดศีลนะมันเสียหายยังไงหระคะเพราะว่าจิตเราจะไม่น้อมไปในความสุขที่เกิดจากสมาธิ คือถ้าเราชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยนะคุณยมติ๋วเช่นแบบไปกินข้าวเย็นโอ้โหสนุกสนุกสนานเลยกินเหล้ามาเบียรพวกนี้จิตเราจะชุ่มอยู่ด้วยกามนะพะจิตเราชุ่มอยู่ด้วยกามแล้วเนี่ยการที่จะไม่เห็นความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยมันยากอืมค่ะจะเป็นอุปสรรคท่านท่านใช้คําพูดที่เป็นวุพุทธวจนะอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะอ่าหมายถึงความสุขในภายในใช่ไหยใช่ค่ะอ๋อคือบุคคลที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยนะ คือชุ่มอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจิตเนี่ยจะมาเห็นความสุขที่เกิดจากในภายในเนี่ยทำได้ยาก mm hmm. คือเราจะต้องเห็นโทษของกาลคือคือการเจ็บกาลหมายความว่าเพลิดเพลิน ล, ลุ่มหลงไปในสิ่งนั้นนะไม่ใช่หมายว่าคุณอ่านข้อมูลพวกนี้ไม่ได้เลยแต่อ่านแล้วต้องทํายังไงถึงจะไม่ลุ่มหลงไปเราต้องมีการสำรวจอินทรีไงเราต้องมีการสำรวจอินทรีย mm ์ hmm. มีสติระวังอยู่ พอระวังจิตเราได้แล้วจิตเราเหตาเห็นอยู่หูฟังเสียงอยู่แต่จิตไม่รุ่มลงไปตาม เ, าเห็นโ ท, โทษของสิ่งที่เกิดขึ้นอ่านี้จิตเราสามารถที่จะน้อมไปกุศลธรรมได้อ๋อค่ะก็แปลว่ายัางพอได้อยู่นะคะเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าต้องเลือกระหว่างทางสองแพร่งเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีเพลอก็อาจจะบอกว่าเอาทีหลังก็แล้วกันในเรื่องที่จะมาหาความสุขอย่างในภายในปนว่า ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณโยมติ๋วที่ว่ารเราเห็นได้ไหมเราดูได้ไหมนะคือคดูได้แต่อย่าให้เกิดการมคือการมเนี่ยเกิดในจิตนะแต่เรามีการมาคุณได้นะคือตาหูจมูกนิ้กายเรากระทบได้การมคุณมีได้แต่มีการมาคุณโดยไม่มีการมได้นะเราต้องเอาการมตรงนี้ออกไปนะจิตเราถึงจะเป็นน้อมไปในทางกุศลธรรมที่เป็นสมาธิได้คืออยู่ในพวกนี้แต่อย่าไปยึดติดกับเขา ใช่คือแต่ไปได้ไหมคะคือถ้านะถ้าถ้าเราแบบชระเอาหมดเลยเนี่ยเราก็จะเป็นนักบวชไปเลยนะหรือแม้ <c oughs> เขาจะเป็นตัวแปลกในหมู่เพื่อนเราก็ <c oughs> ไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแต่ <c oughs> เราต้องมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะสลัดออกโดยจากใจของเรานะไม่ใช่ไปถึง <c oughs> ว่าจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายสมมติว่าในวงที่เขากำลังฮาเฮ ห, หัวเราะกันตลอดลาด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีการตื่ม าผู้ที่ฝักไฟในการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นตัวประหลาดใช้วิธีที่ก็หูรอกกับเข้าบ้างเดินไปนู่นเดินไปนี่ถ่ายรูป ก, กับเข้าบ้างอพอให้มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่ว ม, อมอนนพอไหวไหมคะก็ถ้าจิตไม่มีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอันนี้สามารถทำได้นะคะนั้นก็ ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะอยู่ในสังคมกับคนไม่ได้ อ, อยู่ได้แต่อยู่แบบรู้อยู่ใช่แต่ถ้าพูดแบบภาษาของดิฉันเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่มีคุณค่าเท่ากับภาษาของที่เรากำลังพยายามจะให้ท่านเข้าใจคือภาษาพระพุทธเจ้าใช่ใช่ขออนุญาตให้ท่านช่วยสรุปสิ่งที่พูดมาในวันนี้ในเรื่องของการเสพกาม ให้คนที่ไม่ค่อยเข้าใจพุทธวธจนะเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเหมือนกันไหค ะ, ะก็คือว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งที่เราอเห็นได้ยินรู้สึกพวกนี้นะถ้าเราสามารถเห็นได้ยินรู้สึกโดยที่ไม่จิตใจเราไม่มีความรุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาอันนี้ก็สามารถทำได้นะแล้วก็การเสพกามของค า, ารวาสเนี่ยก็สามารถทําได้คือในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแตถ้าเราไม่ผิดศีลแล้วเราสามารถทําจิตของเราให้มีสมาธิเนี่ย สามารถทําได้นั่นขอขอบเขตเราอยู่ที่ศีลเท่านั้นเองศีลทั้งหลายขอบเขตอยู่ที่ศีลนะคะทีนี้ถ้าเกิดอ่ในแวดวงอย่างเงี้ยเขาฮาเฮชนก้องชนแก้วกันอืเขารินมาให้หน่อยหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ในด้วยเหตุผลทั้งปวงอปฏิเสธยากอ่าซึกจีบสองจิบเนี่ยผิดไหมคะก็ถ้าดื่มแล้วไม่ก็ไม่เกิดความประมาทนะประมาทไม่ประมาทว่ายังไงคือ ไม่มีวาจาเพอ้อเจอ้อไม่มีวาจาสอบเสียไม่มีวาจาโกหกไม่มีวาจาหยาบอันนี้ก็คือแค่ระดับนั้นอ๋อเน้นที่เรื่องวาจาเลยนะคะใชออ่ตรงนี้พิจารณาจากการที่พระเจ้าเคยตรัสว่า เ, ออเคยเอาสี่ข้อที่5้าเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยออกไปแล้ ว, ลวเอาสัมมาวาจาอีกสามข้อมาใส่แทนแทำให้เราพิจารณาได้ ว, ว่าอ๋อจริงๆแล้วสัมมาวาจาอีกสามี่ข้อรวมกันเนี่ยนะมันคือเท่ากันกับการที่ ดื่มสุราแล้วประมาทนั่นเองอ๋อค่ะอันนี้ในเรื่องของการที่จะเป็นโสดาบันใช่ไหมคะใช่ใช่ที่นําเอาศีลข้อสุราออกไปเราสมาวิจารมาใช้แทนใช่โอ้ก็เท่ากับว่าพอพอจะคิดเป็นสูตรขั้นศาลอย่างนี้ได้ไหมคะว่าการดื่มสุราทําให้ขาดสติแล้วการขาดสตินะั้นมันจะไปปรากฏในทางด้านสติเกี่ยวกับการาพูดมากที่สุดใช่เห็นไหมคะท่านผู้ฟังหรือฉันเองเนี่ยขนาด สนทนาธรรมมาตั้งนานนะคะพอฟังอย่างนี้ที่ก้าวหน้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยมีความรู้สึกอ๋ออ๋อออันนี้เป็นความรู้ใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเราได้อะไรที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ น, นะคะจาช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแล้วก็ในรายการสัมสุนีสนทนาทั้งรายการกับส่วนของท่านมาร์คด้วยวันนี้กราบน้มสักการขอบพระคุณท่านไพริบุญไปอย่างยิ่งเลยค่ะเรนบากราบนมักการค่ะต้นส่วนการแนั้นก็คือพระเพบูบุญอภิปุโนจากวัปาดอนไฮโุดอธานี ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจัดการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะสนใจจะไปเดือนไหนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของหลวงพ่อด็อกเตอร์ดอทคอมค่ะส่วนสนใจส่งคำถามมาที่พระอาจารย์ไพบูนะคะก็ที่เพียวธรรมะ .com.106 และถ้าสนใจอยากได้ผู้ทวจนะไปอ่านไปใคร่ีครวรคำของพระพุทธเจ้าเป็นเลิศมากที่สุดและจัดเป็นหนังสือที่ล้าค่าที่สุดในตู้หนังสือของท่านเลยกระส่งมาที่ 022690006นะคะหมายถึงโทรศัพท์เข้ามาค่ะเราจะมีมอบให้วันลา3ท่านใครที่ได้ไปแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเขานะคะวันนี้เราลากันบปรยาเพียงเท่านี้ค่ะขอได้รับความขอบคุณจากสันสนีนาคพง์นะคะพุททศสวัสดีค่ะ